สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เชียงพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้าสเก้าเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เจ็ดสิบสี่เช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเมื่อวานนี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องโลกที่เต็มไปด้วยความบาปโลกแห่งธรรมชาติตกอยู่ภายใต้อันาจของความบาปโลกแห่งความรู้ก็ตกอยู่ใน อำนาจของความบาปเช่นเดียวกันครับโลกแห่งอารมณ์ก็ตกอยู่ในความบาปเช่นเดียวกันความรักของเราก็เลยผิดเพี้ยนไปเรามีความเข้าโศกเรามีความกังวลเรามีความกระนกระวายเรามีความเป็นห่วงนี่คือความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรักของเราก็ผิดเพี้ยนไปครับความไว้วางใจของเราก็อาจจะถูกทรยศได้ความรักของคน ก็มีอคติคนรวยก็เหยียบย่ำคนจนคนจนก็แสวงหาการล้มล้างคนรวยสารพันธ์จิตเวชนนั้นเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความวิปลิตโลกฝ่ายวิ ญ, ญญาณก็เหมือนกันครับตกอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดทึบของความบาปมนุษย์นั้นก็ตายนะครับหมายความว่าจิตวิ ญ, ญญาณของเขานั้นแยกจากพระเจ้าโลกนี้เป็นโลกแห่งความผิดบาปซาตานก็ยังคอยโจมตีเราอย่างไม่หยุดหย่อนครับ เพราะว่าซาตานนั้นได้รับมอบอํานาจจากพระเจ้าว่าให้มันเป็นเจ้าโลกมันจะเป็นเจ้าโลกอยู่เพียงชั่วคราวหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาปกครองโลกนี้มานซาตานก็จะถูกผูกมัดไว้แล้วก็ในที่สุดม า, ารซาตานก็จะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟพร้อมกับสมุนของมันพี่น้องครับซาตานนั้นล่อลวงเราโดยวิธีไหนครับพระบิดาบอกว่าโดยตัณหาของตาหนึ่ง โดยปัญหาของเนื้อหนังสองและโดยความหยิ่งผยองในชีวิตสามเพื่อรับสามอย่างนี้ครับตัญหาของตาตัญหาของเนื้อหนังและความหยิ่งผยองในชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าปรารถนาให้เราเฝ้าระวังแลอธิษฐานเพื่อจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเพื่อนครับจาได้ครับว่าพระเยซู น, นั้นได้ทรงสอนสาวกบอบกว่าให้เฝ้าระวังอยู่ เฝ้าระวังอธิษฐานเพื่อท่านังหลายจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานที่ว่าขออย่านํำข้าพุทธหลายเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากคขึ้งชั่วรานั้นเป็นที่มาของคําว่าตัณหาของตาตัณหาของเนื้อหนังและความหญิงพยองในชีวิตเชื่อนครับในวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการทดลองนะครับมันคืออะไรการทดลองนั้นรากศัพท์นั้นมาจากภาษากรีกครับใช้คําว่า พิ a าร์สมอสพิอาร์สมซึ่งใช้ในภาคกัมภี์มันหมายถึงการทดสอบหรือการทดลองนะครับคําภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายว่า temptation มีความหมาย temptation นั้นก็คือหมายถึงการทดลองในแง่ลบครับก็คือการล่อลวงให้ทําความชั่วนะครับในภาษาอังกฤษคาว่า temptation นั้นมีความหมายทางลบก็คือการล่อลวงให้ทําความชั่ว แต่ในคำภาษากรีกมีความหมายเป็นกลางครับในเพิ่มพะเห็นว่าบางครั้งแปลว่าการทดลองบ้างนะครับบางครั้งก็แปลว่าการพิชูดบ้างบางครั้งก็แปลว่าการทดสอบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำภาษากรีกพ r รั m มอสนันมีความหมาย ก, กลางๆครับนะไม่ได้บวกไม่ได้ลบในคำอธิษฐานของพระเยซูคำนี้น่าจะแปลว่าการทดสอบนะครับดังนั้น จึงสามารถถอดความได้อย่างนี้ครับว่าเป็นคําอิสหันพระเยซูที่สอนเราทั้งหลายบอกว่าอย่าขออย่านําข้าพระองค์เข้าบริการทดสอบนะครับขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปการทดสอบทุกครั้งเลยครับที่มีการทดสอบตามกฎหมายผลลัพธ์อาจจะเป็นไปได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือการทดสอบนะครับในห้องเรียนในวิชาต่างๆผลก็อาจจะเป็นไปไว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทดสอบใครก็ตามมักจะเป็นไปได้เสมอครับที่การทดสอบนั้นจะกลายเป็นการทดลองได้ครับเพราะว่าในที่สุดแล้วจะไม่ผ่านจะมีคนผ่านและมีคนไม่ผ่านนะครับให้เรากลับมาดูในพระเจ้านะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมในปสมกาลบทที่ห้าสิบครับในปสมการบทที่ห้าสิบข้อที่ยี่สิบ เป็นเรื่องราวของโยเซฟที่ได้พบกับพี่น้องที่ได้พบกับพ่อหลังจากที่เขาเผชิญกับความตกต่าในชีวิตถูกขายเป็นทาสที่อียิปต์หลังจากนั้นท่านก็ถูกโปรโมตรเรื่อยมาชีวิตก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงนะครับที่แย่ที่สุดก็คือติดคุกครับติดคุกอยู่หลังจากนั้นก็ถูกโปรโมตยกขึ้นไปถึงระดับนายกรัฐมนตรีเป็นเบอร์สองรองจากกษัตริย์ฟาโรเลยทีเดียว ในมัทธิวมการบทที่ห้าสิบนั่นเป็นการจบฉากชีวิตของโยเซฟนะครับจบฉากชีวิตของโยเซฟโยเซฟนะ้นเจอกับพี่น้องของตัวเองและเจอกับคุณพ่อโยเซฟพูดกับพี่น้องของท่านที่ได้ขายตัวท่านไปยังอียิปต์บอกว่าย้องฟังดีนะครับโยเซฟกล่าวว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็าจริงแต่พระเจ้าทรงดาริให้เกิดผลดีเห็นไหมครับ พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่พระเจ้าทรงดําบริดให้เกิดผลดีเพราะฉะนั้นจากบทเรียนตรงนี้นะครับทําให้เราได้รับบทเรียนที่ว่าเวลาที่เราอธิษฐานว่าโอ้ข่าแต่พระเจ้าขออย่านําข้าพรงเข้ามาในการทดสอบนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้าข้าขออย่านําข้าพระองค์เข้ามาในการทดสอบซึ่งเจือจลายเป็นการทดลองที่ข้าพระองค์ไม่อาจเอาชนะมันได้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับเมื่อเราอธิษฐานว่า ขออย่านาค่าพระองค์เข้าไปในการทดสอบหมายความถึงพระองค์เจ้าค่ะขออย่าทรงนาค้าพระองค์เข้าไปในการทดสอบซึ่งจะกลายเป็นการทดลองที่ค้าพระองค์จะแพ้ที่ค้าพระองค์งจะไม่อาจเอาชนะได้ที่ค่าพระองค์จะสอบตกพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องเผชิญกับบุคคลหลายคนหลายห่อหลายคนหลายประเภทหลายชนิด เราจะต้องมาเชิญกับสถานการณ์ต่า ง, า ง, างๆเยอะแยะมากมายเราจะต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เยาโ ว, วนย่อยัยั่ว ย, ว, ว, ย ว, วนทั้งโมหะทั้งโทสะและอีกหลายหลายอย่างที่เป็นของฝ่ายโลกที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะเนื่องจากโลกเหล่านี้ตกอยู่ในอำนาจของความมืดความชั่วลายและมารซาตานเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างดังเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหนังสือโรงหนัง รายการทีวีหรืออะไรต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบได้ทั้งสิ้นเพราะมันอา จ, จแสดงถึงความเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณและมันจะช่วยให้เราจเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเราสอบได้หรือไม่เราก็อาจจะพ่ายแพ้เราจะสอบตกการทดสอบนั้นก็กลายเป็นการทดลองครับถึงครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้อยากจะให้เราได้มีโอกาสคิด ว่าสิ่งใดในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่เย้หยวนใจเราเป็นการทดสอบเป็นการทดลองและมีหลายอย่างครับที่เราพ่ายแพ้ไปแล้วสิ่งนั้นก็คือเป็นการล่อลวงครับีน้องครับอะไรที่เป็นการทดลองที่ลุกเล่าหรือโจมตีจุดอ่อนของเราไม่ว่าจะเป็นตัญหาของเรา และในที่สุดมันจะชักนำเราให้ไปทำบาปขอให้ทำอธิษฐานในวันนี้เป็นคำอธิษฐานที่เราจะป้องกันนะครับป้องกันและช่วยเราอย่าให้เรามั่นใจว่าเราปลอดภัยแล้วอย่าให้เราเมาเอาหรือว่าเราทึกทักเอานะครับด้วยความเชื่ออันจอมปลอมว่าเราปลอดภัยแล้วอาเมน